ยลนานพานท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่18เมษา ย, ยนพุทธศักราช2 5งพันห้อยหเป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดวันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ทำเพราะเป็นธุระที่สำคัญอย่างยิ่งต่อจิตใจไม่มีธุระอะไรในโลกนี้จะมีความสำคัญเท่ากับธุระของพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าต่อ ผลที่ได้รับจากการทาทุรกรของพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจของสัรโลกได้ไม่สามารถตัดพบตัดการเวียนว่าตายเกิดของสัตโลกได้นอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากการทาทุรกรของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจึงควรมีความยินดีต่อการทำธุระที่พระพุทธเจ้าได้สง่งมอบหมายไว้ให้ถ้าเราไม่ทำแล้วก็ถือว่าเราเกิดมาขาดทุนแทนที่จะได้กำไรเราจะขาดทุนเพราะ การที่เราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่ยากมากการเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ยากอยู่แล้วยิ่งการเกิดของพระพุทธศาสนานี้ก็ยิ่งยากอีกหลายแสนหลายล้านเท่าด้วยกันแต่ชาตินี้พวกเรามีโชคมีวาสนาที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ แล้ได้พบกับพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสทาทุระของพระพุทธศาสนาเพื่อการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเพื่อการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเหตุผลที่พวกเรามาวัดกันอย่างสม่าเสมออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้ามากกว่า น, นี้ได้ก็จะยิ่งดี เพจะทำให้ผลเกิดขึ้นได้มากขึ้นและเร็วขึ้นถ้ามาทิละครั้งก็เพียงแต่พอที่จะดูแลจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไปได้ในระดับหนึ่งแต่จะไม่สามารถทำให้ดับทุกข์ไปได้ทั้งหมดแต่ก็เป็นจุดเริ่มตน้นเพราะเมื่อได้ทำไปแล้วก็จะเห็นผลเห็นคุณค่า ของการทำธุระของพระพุทธศาสนาก็จะมีสันมีฉันทาความยินดีมีมีวิริยะความภาคเพียรมีจิตตะใจจดจอ่อและมีวิมังสาค่ายควรคิดถึงธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบไว้ให้นี่เอง ทุระที่ว่านี้ก็มีอยู่สองประการด้วยกันคือคันถะทุระและวิปัสนาทุระคันถะทุระก็คือการศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาทุระก็คือการปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนต้องมีทั้งสองส่วน ถึงจะได้ผลเลิศผลประเสริฐนั่นก็คือมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทุกๆวันพระจึงเป็นวันธรรมสวรรควันฟังธรรมวันธรรมคันธทุระนี่เองการฟังธรรมนี้ก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า เราต้องปฏิบัติอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราจะไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรนั่นเองเราอาจจะปฏิบัติไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เมื่อปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาผลดีที่พระพุทธเจ้าส่ง ได้ได้ประสบได้พบเห็นก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่จะได้ผลที่อาจจะไม่ดีกับเราก็ได้ดังนั้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรมการอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเช่นในวันพระในวันนี้แต่สมัยนี้เรามีสื่อของธรรมะอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน เราสามารถฟังธรรมะหรือศึกษาธรรมะได้อย่างต่อเนื่องเกือบทุกวันเลยถ้าเราต้องการมีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์มีทั้งหนังสือมีทั้งแผ่นซีดีต่างๆที่พวกเราสามารถฟังได้ดูได้อ่านได้ยังไม่มีข้อปฏิเสธที่ ที่จะทำให้เราอ้างว่าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลามาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาธรรมเราไม่มีเวลามาวัดเราก็สามารถฟังธรรมได้ในขณะที่เราเดินทางไปไหนมาไหนหรือถ้าเราอยู่บ้านเราก็สามารถอ่านหนังสือก็ได้ฟังซีดีก็ได้หรือดู ดูโทรทัศน์ก็ได้นี่คือสิ่งที่เราควรทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่เราจะได้รู้จักทางของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเมื่อเรารู้แล้วขั้นต่อไปเราก็นาเอามาปฏิบัติเช่นวันนี้เราก็มาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นสรงสอนให้เรา ทำบุญให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญจิตตภาวนาวันนี้เราก็มาทำบุญให้ทานกันนำกับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานต่างๆมาถวายพระเราก็มารักษาศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลแปตามสมควรแก่ฐานะถ้ายังไม่สามารถ รักษาศีลแปได้ก็รักษาศีลห้าไปก่อนคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักรทรัพย์ประพุติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นปกติในวันพระนี้ก็เพิ่มเป็นศีลแปคือจะละการหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะ ให้มาหาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบด้วยการไหวพระสุนมทม์นั่งสมาธิฟังเทศฟงังธรรมจเจริญปัญญาจิตใจก็จะสงบดังนั้นเราจึงถือศีลแปดกันก็คือละเว้นจากการไม่เสบกลางในวันพระข้อนี้ก็คือข้อที่สาปกติ ถ้าถือศีลห้าก็ไม่เสพไม่ประพฤติผิดปะะระเวณีคือถ้าจะเสพกามก็จะเสพกับคู่ครองของเราเช่นสามีหรือภรรยาของเราแต่ในวันพระนี้ก็จะละเว้นจากการเสพกรรมเสพกามคือจะไม่ร่วมหลับนอนกับสามีหรือภรรยาของตนจะเข้าห้องพระปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ เจริญปัญญาเพื่อทําจิตใจให้สงบเพราะความสงบของจิตใจนี้ให้ความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสบรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะนั่นเองนี่คือเหตุผลทําไมเราจึงต้องถือศีลแปดกันเพราะเราต้องการความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐัพพะนั่นเอง นอกจากการไม่เสกการแล้วเราก็ยังไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเพื่อเยียวยาร่างกายก็พอไม่ต้องการความสุขจากการรับประทานเราจึงไม่ต้องรับประทานอาหารเย็นก็ได้รับประทานอาหารเพียงเที่ยงวันก็พอแล้วสำหรับความต้องการของร่างกาย แล้วก็ไม่หาความสุขจากการดูการฟังจากจา ก, จากการบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงจะดูจะฟังแต่ธรรมะอ่านหนังสือธรรมะเพราะว่าการได้อ่านหนังสือได้ฟังธรรมะจะทําให้เราฉลาดขึ้นมีความฉลาดมีปัญญาสามารถช่วยกระจัดความสงสัย ในเรื่องต่างๆที่เรายังสงสัยอยู่ได้และจะทำให้จิตใจของเราผ่องใสและเราก็จะไม่หาความสุขจากการหลับนอนจะนอนบนพื้นไม้ที่ปูด้วยเสือหรือปูด้วยผ้าจะไม่นอนบนฟูกนาดาเพราะการนอนบนฟูกดานา น, นี้จะทำให้อยากนอนน้นาน บางทีตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ยอมลุกอยากจะนอนต่อทั้งทั้งที่ร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงแล้วแต่กิเลสยังอยากจะมีความสุขกับการหลับนอนก็จะนอนต่อไปทําให้เสียเวลาเวลาที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของชีวิตก็จะหมดไปกับการหลับนอนไม่ได้หมดไปกับการทำธุระของพ่อพุทธศาสนา ไม่ได้เติ่นขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เติ่นขึ้นมาปฏิบัติธรรมเสียเวลาไปหลายชัว่วโมงถ้าบวกกันแล้วรวมกันแล้วในชีวิตของเรานี้ก็จะเสียไปหลายปีด้วยกันแทนที่จะเอาเวลาที่หลับนอนนี้มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมก็กลับไปเสียไปกับการหลับนอนโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็เลยช้าลงไปหรืออาจจะไม่มีโอกาสในชาตินี้ก็ได้เพราะติดอยู่กับการหลับนอนติดอยู่กับการเที่ยวดูหนังฟังเพลงติดอยู่กับการรับประทานอาหารนี่คือเหตุผลที่พวกเราต้องถือศีลแปดกันเพราะว่าจะช่วยกำจัดกามฉันทะกามฉันทะก็คือความยินดี ความชอบในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองถ้าเรามีความชอบความยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะเสียเวลาไปกับการดูรูปเสียงกลิ่นรสเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็เลยจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาไหว้พระสวดมนต์มาทําจิตใจให้สงบเราจึงต้องตัดการมฉันทะ ด้วยการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกนิ้นกายไม่ดูไม่ฟังไม่แสวงหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องบังคับตัวเราเองถ้าเราไม่บังคับปล่อยให้เป็นไปตามใจใจก็จะไปตามเรื่องไปตามกิเลสไปตามนิสัยเดิมเหมือนกับเด็กที่เราต้องบังคับให้ไปโรงเรียน ถ้าเราไม่บังคับให้ลูกเราไปโรงเรียนปล่อยให้ลูกทำอะไรตามอําเภอใจลูกก็ลูกก็จะไม่ยอมไปโรงเรียนเมื่อไม่ไปโรงเรียนก็จะไม่มีวิชาความรู้ที่จะเอามาใช้ในการเลี้ยงชีพต่อไปนะฉันใดถ้าเราอยากที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงอยากจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป เราก็ต้องบังคับใจบังคับตัวเราอย่าปล่อยให้ไหลไปตามความอยากต่างๆเราต้องกำหนดเวลาขึ้นมาเช่นวันพระนี้จะถือศีลแปกเป็นต้นถ้าเรากำหนดแล้วแล้วเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเราก็จะได้ประโยชน์ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ นอกจากการควบคุมกามาฉันท้าบแล้วเราก็ยังต้องควบคุมความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านนี้ก็เกิดจากการที่เราไม่มีสติควบคุมความคิดของเรานั่นเองปล่อยให้ความคิดของเราคิดไปเรื่อยๆคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรืนั้นต่อไปแล้วก็เกิดอารมณ์วาวุา่นขุมมัวขึ้นมาเวลาจะทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบก็ทำไม่ได้เพราะเวลานั้นบริกรรมพุทโธพุทโธก็อดที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ดูลมหายใจเข้าออกก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สวดมนต์ก็เช่นเดียวกันเพราะเราไม่เจริญสติคอยควบคุมใจของเราไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ชับ่บไม่เฉพาะแต่เวลา ที่เราปฏิบัติทำนั่งสมาธิเท่านั้นเราควรจเจริญสติตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับเลยเช่นพอตื่นขึ้นมาับก่อนจะทำอะไรก็มีสติบอกตัวเองก่อนว่าตอนนี้กำลังจะทำอะไรแล้วนะถ้ากำลังนอนอยู่ก็กำลังจะลุกขึ้นก็ให้บอกว่ากำลังลุกขึ้นจะไปทากิจในะห้องน้า ก็ให้มีสติอยู่กับการทำกิจต่างๆอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องที่จะไปทำในวันนี้ก็ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีให้ทำให้อยู่กับกิจที่เรากำลังทำอยู่ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องคิดว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราก็อยู่เรื่องอื่นไว้ก่อนไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆ แล้วคิดให้พอคิดถึงเรื่องที่เราต้องทำเมื่อคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดแล้วก็กลับมาทำกิตในปัจจุบันของเราต่อไปพยายามให้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับการกระทาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าสามารถควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันได้จิตก็จะตั้งมั่นไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งสมาธิ ให้อยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะอยู่กับการบริกรรมไปจนในที่สุดก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบมีความนิ่งมีความว่างมีความสุขมีความสบายมีอุเบกขานี่คือผลที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการเห็นแสงเห็นสี เห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่เราต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่เป็นผลที่เราต้องการอย่าไปตามรู้เห็นสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่ทำสมาธิให้เราอยู่กับการบริกรรมของเราต่อไปจนกว่าใจจะรวมลงเข้าสู่ความสงบเหรือแต่ความว่างเหรือแต่อุเบกขา นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะความว่างความเป็นอุเบกขานี้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทําให้ใจไม่ว้าหุ่นขุ่นมัวไม่วุ่นวายจะไม่หลงไม่โลภไม่โกรธเพียงแต่ว่าความสงบความว่างความอุเบกขานี้จะไม่อยู่อย่างถาวรเพราะหลังจาก เป็นอย่างนี้ได้สักระยะหนึ่งแล้วจิตก็จะถอนออกมาแล้วก็ออกมาคิดมารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใจก็จะมีความรักความชังมีดีใจเสียใจตามมาตอนนี้เป็นเวลาที่เราต้องใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาสอนใจไม่ให้ไปรักไปชอบไปโกรธไปเกลียด สิ่งต่างๆให้พิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไปชอบเขาเวลาที่เขาห า, หายไปหรือจากเราไปเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ชอบเขาเวลาเขาโผล่ขึ้นมาปรากฏให้เราได้สัมผัสเราก็จะไม่สบายอกไม่สบายใจเราต้อง ปล่อยวางเขาอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปยินดีเพราะจะทำให้ใจของเราว้าวุ่นขุ่น ม, มัวเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาเหมือนกับตอนที่เราอยู่ในสมาธิคือปล่อยวางอะไรจะมาก็ปล่อยเขามาอะไรจะไปก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยึดอย่าไปติดเพราะเขาไม่เที่ยงเขามาแล้วก็ไปเป็นธรรมดา เขาเกิดแล้วเขาก็ดับไปเป็นธรรมดาเขาเป็นอนัตตาก็คือเราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้ไปสั่งเขาได้ว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความยึดติดเราก็จะหลงอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเราก็จะเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุกทรมานใจแต่ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีเกิดมีดับมีมาแล้วก็มีไปเราไม่ได้อยู่กับเขาไปตลอดและเขาก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไปเพราะนี่คือสัจธรรมความจริงของโลกนี้ ร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปหมดลมหายใจไปใจที่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือก็ต้องไปต่อจะไปดีหรือไปไม่ดีไปสุขหรือไปทุกข์ก็อยู่ที่ว่าได้ทำธุระของพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรถ้าทำธุระมากก็จะไปกับความสุขมาก ถ้าทำน้อยก็จะมีความสุขไปน้อยจะมีความทุกข์ไปมากกว่านี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมธุรกรรมของพระพุทธศาสนาที่ผลที่จะเกิดก็เกิดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันความสุขก็จะมีมากขึ้นความทุกข์ก็จะมีน้อยลงในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะความสุขและความทุกนี้จะติดไปกับใจไม่เหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสรสิญหรือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งเหล่านี้จะไม่ติดไปกับใจของเราเพราะมันเป็นของที่คู่กับร่างกายนี้พอร่างกายนี้ตายไปลาบยศเสรสิญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็หมดไปกลายเป็นของคนอื่นไปเงินทองที่เรามีมากมายกายกองก็ต้องเป็นของคนอื่นไปตำแหน่งต่างๆก็เป็นของคนอื่นไปนี่คือศาสตรธรรมความจริงของโลกที่เรียกว่าโลกกระทำแปดใครก็ตามที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้แล้วจะต้องสัมผัสกับโลกธรรมทั้งแนี้เสมอก็คือ การเจริญลาบและการเสื่อมลากการเจริญยศและการเสือ่อมยศการเจริญสรรการเจริญสรรเสริญและการเจริญของนินทาคือจะต้องสัมผัสทั้งกับสรรเสริญแ ล, และการนินทาต้องสัมผัสกับความสุขและความทุกข์ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐ์นอกจากคนฉลาด ถ้าสัมผัสก็จะไม่ทุกข์เพราะมีปัญญาเพราะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของปลอมเป็นของหลอกไม่มีความยินดีเมื่อไม่มีความยินดีเวลาสูญเสียไปก็ไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจเหมือนกับได้ธนบัตปรปลอมมาเรารู้ว่าเป็นธนบัตปรปลอมเราจะดีใจหรือไม่เช่นคนเ้าให้ธนบัตรธนบัตปรปลอมมาล้านบาท เรารู้ว่าเป็นของปลอมล้วก็รับไว้เฉยๆแล้วถ้าเกิดมีใครมาขโมยธนบัตปรปลอมนี้ไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่ามันเป็นของปลอมนั่นเองชันใดราบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นเหมือนของปลอมเพราะว่าสักวันหนึ่งมันก็จะไม่มีความหมายกับเราหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถช่วยเเ้เราได้เลย ไม่สามารถส่งให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สามารถส่งให้เราไปพระนิพพานได้ดังนั้นถ้าชนจหลาดแล้วถึงแม้จะต้องสัมผัสกับโลกธรรมทั้งแปดนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรจิตใจจะไม่มีความทุกข์กับการต้องสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้รู้ว่าเขามาแล้วเขาก็ต้องไป รู้ว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็เลยไม่ยึดติดไม่อาศัยราบยศเสริญสุขเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับตนแต่อาศัยความสงบของใจที่เกิดจากการทำธุระของพระพุทธศาสนาทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตะภาวนานี่แลคือสมบัติที่แท้จริงของเรา เป็นทนบัตที่แท้จริงทำได้เท่าไหร่ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นเศรษฐีมากขึ้นไปเท่านั้นพวกเราต้องเป็นเศรษฐีธรรมอย่าไปเป็นเศรษฐีเงินเพราะเศรษฐีเงินนี่เป็นของปลอมเป็นความสุขที่ปลอมแต่เศรษฐีธรรมนี้เป็นความสุขที่แท้จริงและก็จะเป็นสมบัติของเราที่ไม่มีใครจะสามารถ แย่งออกแย่งจากเราไปได้จะอยู่กับเราไปตลอดถึงแม่ร่างกายนี้จะตายไปแต่ซับภายในใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายซับภายในใจนี้จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นเศรษฐีธรรมตลอดอนันตกาลท่านมีบรารมีสุขขัง มีบัลลังก์มาสุขอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะไม่มีร่างกายใจของท่านก็ยังมีความสุขและมีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีร่างกายนี้อยู่พวกเรานี้มีความทุกข์มากกว่ามีความสุขกันความสุขนี้ที่มีก็แบบประเดียวประดาวเช่นเวลาได้ทำอะไรก็มีความดีอกดีใจมีความสุขแล้วไม่นานมันก็หายไปเหมือนควันไฟ เหลือเหลืออยู่แต่ความหิวความกระหายความวิตกความกังวลความว้าวุ่นขุ่น ม, มัวแล้วก็ต้องหาวิธีกรบมันด้วยการไปหาความสุขใหม่ไปดูหนังฟังเพลงใหม่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยใหม่ไปเที่ยวใหม่อย่างนี้เป็นตน้นนี่ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงหรือเป็นการดับความทุกข์ที่แท้จริง เป็นเหมือนกับเทน้ำมันลงไปในกองไฟเวลาเทน้ำมันลงไปใหม่ๆไฟก็ทำท่าจะดับเพราะน้ํามันมันเย็นมันยังไม่ร้อนแต่พอน้ํามันร้อนขึ้นมาทีนี้ไฟยิ่งกับลุกขึ้นแรงกว่าเดิมอีกหลายเท่าด้วยกันฉันใดการระงับดับความทุกข์ด้วยการไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส จากการไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานก็เป็นแบบเดียวกันเวลาไปได้ไปเที่ยวได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอาหารต่างๆก็มีความสุขแต่หลังจากนั้นไม่นานก็จะเกิดความหิวความต้องการความอ้างว้างเปล่าเกลี่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกหลายเท่ายังไม่ใช่เป็นวิธีที่จะสร้างความสุขและดับความทุกข์ที่แท้จริง วิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงและดับความทุกข์ที่แท้จริงนี้ต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือต้องฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญทาทานให้เรารักษาศีลให้เราบาเพ็ญจิตตภาวนาเราก็ต้องมาทำกัน เริ่มต้นด้วยการทำในวันพระไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มวันขึ้นไปจากวันพระก็เป็นสามวันคือวันก่อนวันพระวันพระแล้วก็หลังวันพระแล้วต่อไปก็ทำบรรทุกวันเลยออกบวชได้เลยแล้วเราจะได้รับผลอันเลิศที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารกได้รับกันอย่างแน่นอน ไม่ต้องสงสัยถ้าเราขยันมากๆเราจะได้รับในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสง่งส่งพยากรณ์ไว้แล้วว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างเคร่งครัดอย่างเต็มที่ผลที่จะเกิดขึ้นนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในระหว่างเจเจวันและเจปีถ้าฉลาดมากขยันมาก ก็สามารถบรรลุทมได้ภายในเจ็ดวันถ้าฉลาดน้อยขยันน้อยก็จะบรรลุได้ภายในเจ็ดปีไม่ต้องบำเพ็ญบุญบา ร, รมีเป็นกับเป็นกันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญมาเพราะตอนนั้นไม่มีใครมาสั่งมาสอนไม่รู้ทางพระพุทธเจ้าเลยต้องคลาทางไปเหมือนคนตาบอดคลาทางไปก็เลยช้ามาก แต่ตอนนี้เรามีคนนำทางแล้วเรามีพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสารกนำทางแล้วเราสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเพราะเราไม่ต้องคลำทางนั้นเองจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันเลิศอันวิเศษนี้ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพระพุทธศาสนานี้ให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์ จากการทำธุระทั้งสองประการนี้อย่าให้ธุระอย่างอื่นมาหลอกมาดึงให้เราไปทำถ้าต้องทำก็ทำเท่าที่จำเป็นเช่นทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วอย่าไปทำเพื่อความร่ำรวยอย่าทำเพื่อหน้าตายศถาบรรดาศักดิ์เพื่อความสรรเสริญเยือนยอแต่ทำเพื่อมีปัจจัยสี่ไว้ ดูแลอัตภาพร่างกายก็พอแล้วเพื่อเราจะได้มีเวลามาทำทุระของพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่นั่นเองนี่คือเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาทำทุระของเราเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้